ศาสาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ทละเอียดสุขุมมากเกินกว่าความรู้ของจิตสามัญธรรมดาจะสัมผัสสัมผั์ได้แม้แต่ขั้นหยบยาขั้นพื้นพื้น ก็ไม่สนใจจะไปฏปฏิบัติเพราะความสัมผัสสัมพันธ์ให้ได้รู้รถของธรรมว่าเป็นอย่างไรบ้างเลยเพราะอำนาจของฝ่ายต่ำที่เรียกว่าอาธรรมมีกำลังมากครอบจนมืดมิดปิดถาน มาให้สิ่งที่เป็นธรรมแสดงออกเพื่อผลเป็นธรรมเข้าสู่จิตใจได้เลยมีแต่เรื่องอธรรมแสดงอยู่รอบทวานนับตั้งแต่ตาหูจมูกเลิ้นกายเข้าไปถึงใจเป็นสถานที่ทำงานเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อกว่านผลกำไรเข้ามาสู่ตัวของมันแล้วก่อโคลความเดือดร้อนเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยให้แก่จิตใจผู้รับเคราะอยู่โดยลำดับลำดาทั้งน้อยทั้งมากถ้าเป็นน้ำก็เหมือนกับน้ำรับน้ำสุนไร้ลินอยู่อย่างนั่นด้วยการแสวงผลประโยชน์ของฝ่ายอาธรรม ใจที่ไม่ตั้งหน้าตั้งตาตั้งท่าตั้งทางต่อสู้กีดกัน้นต้านทานมันจริงๆแล้วยังไรก็ไปไม่รอดเพราะอำนาจของมันมันเป็นเหมือนน้ำรับน้ำสึมนี่โดยปกติถ้ายิ่งมีเหตุการณ์เป็นเครื่องส่งเสริมด้วยแล้วมันก็ยิ่งสแสดง กำลังวังชาอำนาจวาสนาขึ้นภายในทวานี้อย่างแก่แก่งชัดเจนและอย่างมีสิทธ์อะไรมีฤทธิ์ทาตักดานภาพมากแม้ขนาดนั้นก็มันสามารถดูได้เลยว่านั่นคือฝ่ายอาธรรม ผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเราที่ทาแบบสุกเอาเผากินนี่ก็คือเป็นแบบของมันแทรกเข้ามาในวงการปฏิบัติงรู้สึกจะไม่มีแง่ใดในขั้นเริ่มแรกแห่งการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งยังไม่ได้หลักได้เกียนทางด้านจิตใจนี้บ้างเลยแล้วจะมีแต่ แ, แ, ตแง่แต่ขนแหงแต่กิเียอาการของมันแทรกอยู่ทั้งนั้นแต่เราก็ไม่รู้จึงเป็นความลำบากเพราะสิ่งที่พาให้ลำบากมันอยู่มันมีอำนาจมันปกครองจิตใจ ทำไม่ได้ปกครอง จ, จิตใจทำไม่ได้มีอำนาจหรือทําไม่ปรากฏจึงมีแต่สิ่งเหล่านี้แสดงรวดลายอยู่อย่างเต็มตัวในเอียบทต่างๆท่านภูมมาศึกษาอบรมก็ควรจะถึงใจในการแสดงเหล่านี้เพราะไม่เคยไม่แสดงไม่ได้แสดงเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวแสดง มาโดยลาดับลำดานานแสนนานตั้งแต่เข้ามาเกี่ยวข้องกับบุญกะนะุะหรือเพื่อนฝูงเข้ามาเกี่ยวข้องการเทศในวันใดเวลาใดจะไไม่เทศอย่างอื่นนอกจากเทศเรื่องภัยเหล่านี้และเรื่องคุณแห่งธรรมพร้อมทั้งวิธีละวิธีบาเพ็ญอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถ้าผู้ตั้งอกตั้งใจจริงๆแล้วความจริงนี้ไม่ควรจะจืดจางควรจะเป็นความจริงอย่างถึงใจอยู่เช่นเดียวกับธรรมเป็นของจริงว่าเป็นคุณทางฝ่ายดีและกิเลสเป็นของจริงเป็นฝ่ายชั่วทั้งสองอย่างนี้ไม่มีการไม่มีสถานที่เว ล, เวลามา เป็นของจริงลน้วนอยู่ตลอดไปและตลอดมาด้วยผู้ฟังจึงไม่ควรจะคิดว่าฟังแล้วเก่าไปแล้วนานไปแล้วจืดจางไปแล้วเพราะเราไม่ฟิตจิตใจของเราให้เป็นไปตามหลักความจริงนั้นมีแต่กิเลสทำให้จืดจางส่วนทำได้จะให้เข้มข้นเพื่อการปราบปรามกิเลสไม่ค่อยมีหรือไม่มี ยิ่งลำบากต่อการก้าวเดินแห่งความเพียรอันจะยังผลให้เกิดประ จ, จับภายในจิตใจครั้งบุตรการท่านท่านเอาจริงเอาจังดูตำลับตำลา ก, ก็เหมือนอย่างสดสดร้อนร้อนท่านทำให้เห็นต่อหน้าต่อตานี้ไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของสาวกแต่ละองค์ ที่ท่านประกอบความภาคเปลี่ยนตลอดถึงผลที่ท่านได้รับเป็นประวัติเป็นเรื่องราวสดสดร้อนร้อนเพราะเป็นสัจธรรมคือความจริงไม่เคลื่อนคลาดจากความจริงผู้ได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วควรจะนำความจริงนี้เข้ามาประทับกับจิตใจของตนทั้งฝ่ายละทั้งฝ่ายบังเป็นอย่างถึงใจ นอกจากนั้นเรายังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสังสอนซึ่งก็นำความจริงเหล่านี้มาแสดงเช่นเดียวกันมันน่าจะถึงใจเรามาอยู่ น, น, นานๆก็ยิ่งเลี้ยวไหลโลเลไปเรื่อยๆก็ยิ่งทำให้อ่อนใจให้ผลการแสดงในเหตุและผลในการแสดงธรรมต่อมุูเพื่อน เที่จะแสดงคือการแสดงเพื่อผลก็ทำให้อ่อนใจผลที่จยคุ้พึงได้รับสนหรับหมู่เพื่อนมันไม่ปรากฏจะทำให้มีกำลังใจได้อย่างไรนี่เรามาทำความเพียรเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเรามาด้มาแสวงทางโลกทางสงสาร สิ่งละเอียดก็คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้เป็นเรื่องโลกเรื่องสงสารเราอยากจะพูดว่าร้อยเปอรเซถ้าไม่ได้ใช้ความพินิษฐพิจารณาไม่มีสติปัญญาไก่กรองในสิ่งสัมผัสภายนะภายในของเราจะมาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางใจมันจะผิดขึ้นเป็นเรื่องของกิเลสจะทั้งมวลภายในใจิตใจถ้าไม่ตั้ง อ, อกตั้งใจพินิษพิจารณาจริงๆนี่เรื่อง นอย่างี้การสั่งสอนก็สอนโดยไม่มีข้อข้องใจสงสัยในวิธีการสอนเพราะเป็นวิธีการที่ดาเนิน ม, มาแล้วสนหรับผมเองก็ดีไม่ใช่คุยพูดตามหลักความจริงต่อหมู่เพื่อนที่มีเจตนามาหวังอัดหวังทม นี่แสดงเพื่ออัดเพื่อทำต่อหมูตัวเพื่อนยังไม่มีอะไรที่จะเอาสิ่งที่จอมปลอมเข้ามาเครือบมาแฝงมันเป็นเครื่องหลอกลวงเรื่องของโลกดังที่กล่าวนี้มันมีอยู่ยังที่ว่าที่อธิบายผ่านมานี่แหละยู่ที่ไหนมันก็มี ทุกุ ะ, ะที่ปรุงออกพานใจิตใจมันก็เป็นโลกมันไม่ได้เป็นธรรมถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาจริงๆมีท่าต่อสู้อยู่โดยสม่ำเสมอมีอยู่ไปนานๆมันเลวไหลไปเรื่อยๆดังที่ว่าเราไม่ได้มาแสวงหาโลกดังที่กล่าวแล้วนั้นเราแสวงหาธรรมต้องกลัน่นต้องกรองต้องพินิจพิจารณา ไม่เสียดายในการได้เห็นได้ยินได้ฟังต้องตัดกระแสของมันอยู่เสมออยากเห็นอยากดูเท่าไหร่ก็ให้ทราบว่าความอยากนี้คือฝ่ายอธรรมความกีดกันความบังคับการต่อสู้ไม่ให้เห็นไม่ได้ยินได้ฟังสัมผัสต่างๆนี่คือเรื่องของธรรม อยากมีมากน้อยเพียงไรที่เกี่ยวกับโลกพึงทราบว่า น, นั้นคือค่าสึกเข้ามารางความจิตใจแล้วเราต้องยกทำขึ้นต่อสู้ขึ้นต้านทานจีด ก, กันอย่างน้อยห้ามบังคับไม่เห็นไม่ดูไม่ได้ไม่ฟังมากกว่านั้นนำมาไก่กรอง หรือทำหน้าที่ของฝ่ายทมไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นทั้งๆ ท, ท, ที่อยากสนใจนี่จึงเป็นวิธีการของผู้ประกอบความภาค ย, ยันต้องมีการฝืนกันอยู่เสมอไม่ฝืนไม่ได้กึนชอว่าอาธรรมแล้วต้องคล่องตัวเสมอสิ่งใดที่คล่องตัวพึงทราบเถิดว่านั้นคืออาธรรมในขั้นเริ่มแรกเป็นเช่นนั้นต่อเมื่อทำมีกาลังมากและมีกาลังมากเต็มที่แล้ว ยังจะเป็นเรื่องของธรรมและเป็นเรื่องของธรรมล้วนๆสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เสาะแสวงตรงไหนกับเสาะแสวงเพื่อฆ่าเพื่อทำลายไม่ได้เสาะแสวงเพื่อความรื่นเริงบันเทิงความกำนัดยินดีและยินร้ายต่อสิ่งทั้งหลายด้วยความพอใจ น, ะนั้นนั่นเป็นเรื่องของฝ่ายต่ำเป็นเรื่องของอาจธรรมเรื่องของธรรมจะมีความบูดดืม่ม เพื่อสอบเพื่อสแสวงว่าภัยอยู่ที่ตรงไหนมเมื่อเจอแล้วก็ต่อสู้กันทันทีทันใดไม่ชักช้าเมื่อถึงขั้นเป็นธรรมแล้วเป็นเช่นนั้นคือจิตเป็นธรรมกับจิตเป็นโลกต่างกันในความหมุนของตัวเองจิตเป็นโลกจิตต้องหมุนไปตามโลกจิตเป็นธรรมจิตต้องหมุนไปตามธรรมเพราะธรรมพาให้หมุน จนกระทั่งถึงโลกไม่มีเหลืออยู่ภายในปิตใจเลยจิตตรงนั้นถึงจะหยุดหมหมุนเพื่อทำลายสิ่งที่เป็นอธรรมฉะนั้นคำว่ า, าศาสนาธรรมยังเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนมากทีเดียวเกินกว่าความรู้ธรรมดาเราจะสัมผัสสัมผันได้ถ้าไม่ปรับใจให้ถูกต้อง ต่อทำขั้นใดแล้วจะไม่ประสบให้พบเห็นเลยไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าวัยใดไม่เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ขึ้นอยู่กับวัยกับนักบวชกับฆราวาสแต่มันเป็นความจรินของมันแต่ละอย่างๆทำก็เป็นของกินสําหรับตัวเองแต่ละอย่างๆที่ควรจะแก้ไขสิ่งนั้นได้นํามาแก้ไขย่อมแก้ไขได้ด้วยกันถ้าไม่นํามาแก้ไขก็นี่จะ ไฟต่ำจะเหยียบย่ำทำลายเข้าทุกที่ทุกวันทุกเวลาจนหาทางออกไม่ได้สุดท้ายก็จมเอาลองคิดดูสิปัจจุบันนี้เห็นอยู่อย่างเต็มหูเต็มตาศาสนากลายเป็นด้านวัตถุคือศาสนาธรรมแท้มีหลักกิตะภาวนา เป็นเครื่องบูกเบิกเป็นเครื่องขุดค้นเป็นตัวการตัวงานที่จะเห็นสิ่งเลวร้ายทั้งหลายซึ่งสังจมอยู่ภายในจิตใจทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดโดยลำดับและทําลายมาได้เป็นรักเป็นต่อนจนถึงขั้นวิสุทธิบริสุทธิ ม, มุดหลุดพ้นเช่นเดียวกับข้าพุทธการท่าน พืงงานเป็นเนื้อเป็นหนังงานของศาสนาจริงๆาศาสนาธรรมท่านมุ่งอย่างนี้เป็นหลักใหญ่มากกว่าหลักอื่นใดเต่เวนี้เราเห็นไหมไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามไม่ว่าท่านว่าเรามันพอๆกันวัตถุเป็นสิ่งสำคัญขึ้นมาในวงศาสนาสิ่งศิษย สำคัญของศาสนาจะไม่ปรากฏหรือไม่ปรากฏสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทั้งหลายนยี่คือด้านวัตถุสิ่งเหล่านี้กลายเป็นศาสนาขึ้นมาเป็นวัดเต็มว่ากุฏิสวยๆงามๆกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับห้องน้ำห้องส้วมที่สะดวกสบาย จนภาวนาไม่จบนี่คือศาสนาเครื่องบำรุงบำเลอให้รับความสะดวกสบายทั้งการอยู่การกินการหลับการนอนการไปการมานี่คือศาสนาใครมีสิ่งเหล่านี้แล้วถือว่ามีหน้ามีมตามีดีกรีมีอำนาจวาสนา นีศาสนาแปลไปอย่างนี้เวลานี้ที่จะให้แปลลงทั้งอักทางธรรมที่เกี่ยวกับจะทำจิตใจให้สงบให้เยือกเย็นให้มีความเฉียวฉลาดโดยหลักธรรมจริงจิจนถึงเอาตัวรอดเป็นยอดขนดงขังครั้งพุทธกาลนั้น จะไม่ปรากฏหรือไม่ปรากฏโดยลําดับลําดามาแล้วเพราะวัตถุมีอำนาจมากคําว่าวัตถุเนียมนานมากก็คือกิเลสมันแทรกเข้าไปมีอำนาทำจทํากิตใจของผู้ปฏิบัติหรือของพระเณาทั้งหลายให้สนใจให้ขวัญขวายในสิ่งเหล่านี้จนไม่มองดูเรื่องศีลสมาธิปัญญา ซึ่งเป็นหลักใหญ่ของศาสนาที่จะพาให้หลุดท้นหรือให้รู้แจ้งแท ง, งทะลุนั่นเลยเพราะมันมีอํานาจมากกิเลสมันแทรกอย่างนี้เนี่ยที่อยู่ก็แทรกที่หลับที่นอนก็แทรกเครื่องใช้ไม่สอยก็แทรกมีตั้งแต่ของดิบดีดีเพื่อฉนองความสะดวกสบายความสะดวกสบายประเภทนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทลางานไม่ใช่เรื่องของธรรมทำามา เรื่องของทมทำงานเห็นไหมพระพุทธเจ้าทรงรือหาที่ไหนเวลาทรงอุปสมบทแก่กุณบุตผู้ใดก็ยกสถานที่ที่รบสถานที่อยู่อาศัยขึ้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เลยเลนลุคโมูลเซนาสนมนั่นเด็ดไหมนั่นหละสถานที่ฆ่ากิเลสทำลายกิเลส เบอร์หนึ่งหรือที่หนึ่งอันดับหนึ่งคือให้ไปอยู่ตามลูกขมูลร่มไม้ชายป่าชายเขาจากนั้นก็ตามถ้านเลื่อมผาต่างๆอันเป็นสถานที่เปียวๆรากถานที่อดอยากขาดแคลนไม่ใช่สมบูรณ์ภูมิผลเพื่อกิเลส จ, จะได้พองตัวอย่างนั้นท่านอยู่เป็นยังไง ท่านผู้ผิดทำเข้าสู่ใจเป็นยงไงกับผู้ผิดยิเลสให้พ่อพูนหัวใจต่างกันอย่างไรบ้างแล้วเป็นนักบวชเวลานี้เป็นยังไงนักบวชพ่อพูนยิเลศเข้าสู่หัวใจด้วยวิธีการใดพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านพ่อพูนอัดทำเข้าสู่ใจท่านพ่อพูนด้วยวิธีใดการอยู่ของท่านเป็นอย่างไร การจริงการหลับการนอนการใช้การสอยของท่านเป็นอย่างไรนั่นนี่ยสนามรบกิเลสการอยู่สถานที่อยู่ก็เป็นสถานที่เหมาะสมกับการลบกับการท่ากิเลสที่หลับที่นอนก็เป็นสถานที่อยู่ที่เป็นที่หับที่นอนเพื่อฆ่ากิเลสปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งต่างๆ เป็นอย่างตังสกุลกีวังเป็นของดิบของดีเมื่อไรตังสูก็คือขี้ฝุ่นขี้ฝอยนั่นเองไปหาชาวปางกุลที่ทิ้งอยู่ตามถนนคนทางเอามาเย็บปฏติปปะต่อขึ้นเป็นสบงกีวรสังคาติพอได้ใช้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อข้ากิเลสโดยตาเดียวนั่นฟังกับังสกุปังสูปัง ส, งสกุลหมายถึงทิ้งอยู่ตามพื้น ขี่ฝุ่นไปชักออกบินธาบาตก็ ห, หาด้วยกำลังปีแค่งของตนทำความอุตสาห์พยายามถือเป็นการเป็นงานในการเลี้ยงขี่ของตนให้ถูกต้องตามหลักของพระสอนให้บินนิธิบัตบินธาบาตบินยาโลปโภธนังนิซาจะปะปชาตัตดท เจียปชีวังอุชาโหกรณนโยนั่นส่วนพิเศษอติเลไปลื้อของเหลือเฟือท่านก็บอกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เหลือเฟือไม่ใช่เป็นของจําเป็นท่านก็บอกสิ่ง น, นิมนตนน์ตนังที่มันต น, นังสลักกรปตังปักจีตังปฏิปาดิตั ง, งสิ่งลับนิมนต์เขาไปฉันที่นั่ น, นสิ่งถึงวันปฏิบัติวันอุโบสถวันปัก เขาถวายในวันปักถวายเป็นสังฆท า, านอลกลับแต่ไม่ถือเป็นความยินดียิ่งกว่าการบินทบาตหามาด้วยกลังปีแข้งของตอนนะฟังเลยไปยังไงการหาเลี้ยงชีพของพระพุทธเจ้ากับพระสาวุตังหลายท่านหาเลี้ยงวิธีไหนผู้ฆ่ากิเลสและผู้เป็นชนะของพวกเราท่านหาเลี้ยง องค์ของท่านด้วยวิธีใดผิดกนไหมายนี่แหละกินก็กินเพื่อฆ่ากิเลสกินแบบนี้แหละหาผูย้ยูหากินมาเพื่อฆ่ากิเลสหาอย่างนี้ปัญหานี่หลักใหญ่ส่วนเหลือเฟือก็เคยได้พูดแล้วนั่นท่านก็ไม่ได้ห้ามแต่ไม่ได้ถือเป็นกิจจาลักษณะเป็นสิ่งสำคัญแนละเป็นเนื้อเป็นหนังเหมือนกับการ ปินธบด้วยกำลังปีแข่งของตนมารับมาฉันกว่ายากว่าฉันจะรองด้วยน้ำมูกเน่าเพียงเท่านั้นเพียงเยียวยานันท่านไม่ได้มารักมาสงวนชีวิตจิตใจยิ่งกว่าธรรมจนถึงกับ ถือเอาเรื่องหยูกเรื่องยาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วก่อความกังวลยุ่นวายให้แก่ยวกัของจนลืมอัดลืมทำลืมสัจธรรมลืมความเป็นความตายลืมอนิจจังทุกข์ของหน้าตาซึ่งเป็นหลักธรรมไปหมดมีแต่จะให้อยู่ข้ามฟ้าโดยไถ่เดียวเห็บท้องปวดที่สะบ้างเลยก็น้อยก็กลัวแต จ, จะตายวิ่งหาแต่มดแต่หมอไม่ปฏิเสธเรื่องหยูกเรื่องยาแต่เรื่องความกังวลจนเกินเหตุกคน ผลผิดหลักของสมณะนี่ผิดทางของพระพุทธเจ้าผิดทางของผู้จะฆ่ากิเลสผิดทางของผู้เรียนเพื่อรู้สัจธรรมเรื่องอยู่เรื่องยาก็นํามารักษากันไปแต่ไม่ให้หลงจนเกิดความกังวลอันเป็นเรื่องของกิเลสเห็นชีวิตจิตใจมีคุณค่ามากกว่าทําไปเสียเลยลืมสัจธรรมลืมหลัก อันนี้จังทุกขังอัตตาที่จะพาตนให้รอบคอบต่อสินทั้งหลายมียาเป็นต้นไปเสียอันนี้อะพระพุทธเจ้ารละษาบก ท, ท่านท่านทํอย่างนีน้จะไปไหนมาไหนไม่เคยละท่าทางแห่งการต่อสู้เพื่อทิเบตจะบรรลัยไปจากจิตใจแม้ท่านหลุดพ้นไปแล้วกิริยาอาการเหล่านั้นก็นาท่านก็ทรงนำเนิน ตลอดวันนี้ผ่านทุกๆองค์ไปและนำอุบาวิธีการเหล่านี้มาสอนสัตว์โลกไม่ได้สอนให้สังสมสอนให้ฆ่าขึ้นชื่อว่ากิเลสตัวใดอืไม่ว่าจะเป็นโคตรเป็นแท่ดูกเต้าเหล่ากอหลานเลนของกิเลสมันเป็นลูกยักษ์หลานยักษ์พ่อยักษ์ปู่ย่าตายายยักษ์สหรับทําลายสัตว์โลกทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีพอจะนอนใจ ถ้านักปฏิบัติเรานักบวชนักปฏิบัติเราไม่เห็นภายในสิ่งเหล่านี้จะเห็นอะไรเป็นภยัยก็นอกจากเห็นตัวภัยว่าเป็นกุลเท่านั้นก็ยิ่งจะร่มจมไปเราให้เห็นดูสิธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรประเสิฐเลิศเลืดเหนือโลกมาตั้งแต่การไหนๆทิมโรกุตะลโลกุตร ะ, ตระคือธรรมเหนือโลก คุณสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างเหนือโลกโดยลําดับจาด่าไม่มีทำขั้นใดต่ํากว่าโลกเลยท่านจึงเรียกว่าโลกุจลาธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกสูงกว่าโลกทํมมาไมจึงไม่สนใจนำธรรมเหนือโลกเข้ามาสู่จิตใจให้เหนือกิเลสบ้างหรือให้เหนือกิเลสไปโดยลําดับําดาสิ่งที่กิเลสกล่อมอยู่ทุกเวลาาเวลานั้น เราไม่เคยเบื่อหน่ายอิ่มพอแต่การประกอบความภาคเพียรนี้ถูกกิเลสปัดมือมือหกักขาหักไปเลยนี่แล้วมันจะทันกันอย่างไรการปฏิบัติอัรรมแล้วคำว่าทำเหนือโลกก็ไม่ได้สัมผัสได้ยินแต่ชื่อแต่นามเช่นสมาธิธรรมสมถะธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นท่านถอดเอาประจับมัวใจดวงเลิดดวงประเสริฐ ดวงที่เป็นมาแล้วทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิมุตต์นำออกมาแสดงจากสิ่งที่ท่านเป็นมาแล้วออกมาจากดวงใจของท่านซึ่งเป็นดวงใจบริสุทธ์ล้วนๆวิเศษล้วนๆ น, นำมาเขียนไว้ตามตำลักตำลาที่บอกเข้ามาในหัวใจของสัตว์โตกเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติเราควรจะรู้จะเห็นควรจะเข้าใจควรจะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมเหล่ า, านี้มากหรือเร็วยิ่งกว่าผู้อื่นใด แต่ทำไมจึงไม่ปรากฏถ้าไม่ให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นมันจึงไม่ปรากฏในธรรมที่ควรปรากฏเพราะพระพุทธเจ้าสอนเพื่อรู้เพื่อเห็นสิ่งเหนี้แต่แท้ธรรมะเป็นธรรมะสดสดร้อนๆจึงเรียกว่าอาการลิโกไม่มีการไม่มีสถานที่อันใดมาทำลายทำพิถันสมัยในการแก้กิเลสการฆ่ากิเลสนี่เลยแล้วทำไมเรานำมาชาย แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติมันจึงกลายเป็นเรื่องที้เหร่เหยียบย่ําทําลายเอาเสียหมดหลุดไม้ดลุดมือไปเครื่องมือคือธรรมต่างหลายเหล่านี้ไม่ติดตัวเลยเป็นเพราะอะไรตั้งปัญหาถามตนบ้างด้วยนักปฏิบัติซึกมันประดังข้อมูลที่หวัวใจตลอดเวลาธรรมะทำไมไม่มีเครื่องต้านทานกันบ้างนักปฏิบัตินั่นเพื่อจะได้ปรากฏสมาธิเป็นยังไง วความสงบใจสงบเป็นอย่างไรเสียงสงบเราก็เคยได้ยินลมสงบเราก็เคยได้ยินได้เห็นเรื่องราวสงบเราก็เคยได้ยินได้เห็นความสงบเป็นของดีใจยิ่งเลิศยิ่งกว่านั้นสงบจากอารมณ์ที่เป็นพลิกเป็นไปทั้งหลายเข้าสู่ความเป็นเองของตัวเองเข้าสู่ตัวของตัวเป็นตัวของตัวในขั้นนี้ แล้วก็มีความผาสุกสบายเย็นใจเบาใจความสุขในความสงบของใจนี้ผิดกับความสงบอันใดผิดกับความสุขอื่นใดเพียงขั้นนี้เราก็ประจับมันก็ดูดดื่มแล้วถ้าทำให้เห็นให้รู้ทำไมจะไม่ดูดดืม่มมีก็เพราะมันไม่สงบนั่นเอง นั่งสมาธิภาวานานิดหน่อยก็กลัวแต่จะตายถูกอารมณ์มันขักมันใสมันขยี้ขยำจนทะลอะปอกเปิกแท่งหกักขาหักไปตามมันเสียจนได้แล้วจะหาสมาธิหาปัญญามาจากที่ไหนจากวิธีการอย่างนั้นของกิเลสลากนัดปฏิบัติไปยิงย่งปัญญานี้ด้วยแล้วนั่นยิ่งสำคัญมาก นักปฏิบัติถึงเวลาที่ควรแต่ใจองพิจิตรณาต้องไก่ครองเราอย่าคอยให้ปัญญาเกิดขึ้นมาเองให้ฉลาดเองปเป็นไปไม่ได้นี่เคยพูดย้ำแล้วย้ำเราพูดด้วยความแน่ใจจิตสงบเป็นปากทาเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นปนปากเป็นทางมีต้นทุนคือจิตสงบนั่นเป็นจิตที่อิ่มตัวไม่ฟุ้งซ่านลำคาไม่หิวโหยกับอารมณ์อะไร นำจิตที่สงบนั้นเข้าทำงานทางด้านปัญญาจึงสะดวกตั้งหน้าตั้งตาทำให้เพอปรากฏผลในแง่นั้นแง่นี้ขึ้นมาด้วยอุบายของปัญญาก็ยิ่งเป็นเครื่องสะดุกใจไปโดยลำดับลำลาทำให้ตื่นจิตตื่นใจขึ้นมาทำให้ตื่นตัวขึ้นมาเพราะปัญญาแล้วก็พอใจกับการค้นขวายพอใจกับการพินิจพิจารณานี่เริ่ม ปัญญาเริ่มหายตัวที่แรกต้องได้บังคับเมื่อปัญญาได้ทํางานเห็นผลไปโดยลําดับ ก, กำนานแล้วปัญญาจะตั้งหน้าต่างตาทํางานไปเอนและดูดดื่มในการคิดค้นควน้ควาของตนจนกลายเป็นอรรมัติขึ้นมาได้ในสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรก็าตามสติ ป, ปัญญาจะขึ้นมาพร้อมๆกันพร้อมๆกันไม่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใด ก็เป็นสติปัญญาค้นคว้าหาเหตุหาผลหาความตัดความปีนอยู่โดยทํานองนั้นนี่อุบายทั้งหมดหรือ ว, วิธีการทั้งหมดกิริยาที่ปัญญาทำหน้าที่อยู่ทั้งหมดนี้เป็นกิริยาอาการที่ข้าเกลียดโดยลําดับลาดาเพียงปัญญาทางนั้นก็ได้เห็นชัดแล้วว่ากิเลสได้ขาดว่าขาดตอนไปกิเลสจะขาดจากใจนี้ขาดด้วยปัญญานะ ไม่ได้ขาดด้วยสมาธินะสมาธิเป็นทเพียงให้จิตสงบอารมณ์รวมกำลังของใจเพื่อจะทำงานในการฆ่ากิเลสด้วยปัญญาเมื่อปัญญาได้เกิดได้มีขึ้นแล้วนี่แหละจริงกิเลสมันจะมีหนาแน่นเท่าไรก็เถอะไม่พ้นไปได้เลยนับวันที่จะกิเลสจะขาดสะบั้นหนแหลกลงไป เพราะความเพียนจะเหนียวแน่นมั่นคงมากดูดดื่มมากเป็นไปโดยอัตโนมัติของตัวเองนี่แหละคือธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าปัญญาปริภาวิตโตจิตทางสมาเดว่าอสเวหิมุจะติเบื้อต้นท่านสอนว่าสีรับปริภาวิตโตปัญญาอหาปรามหูติมานิสัง้งสีรับปริภาวิตโตสมาธิมัปรโลกหูติมหานิสั้งโซ ศีลเป็นเครื่องอบอุ่นไม่ทําใจให้เกิดนิวรณ์เดือดร้อนจัดตนเองว่าได้ทำํำศีลด่างพร้อยมีความอบอุ่นบําเพ็ญสมาธิเมื่อนิวรณ์เหล่านี้ไม่ควรจิตก็เข้าสงบได้ง่ายสมาธิปริพาวิตาปัญญามหาพราโขติมหานิสังซาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมทํางานได้คล่องตัวไม่ทะเะลทถลัย ปัญญาบริภาวิตังกิตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาเป็นผู้รักษาเป็นผู้สังหารกิเลสปอกกิเสลสซ้ำรอบกิเลสแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบนี่เป็นบทที่สำคัญมากในพุทธศาสนาหรือในการบำเพ็ญ อันนี้แยกไม่ได้จะให้มีแต่สมาธิจะมีแต่ปัญญาก็ไม่ได้นอกจากคิดปาปิญญาซึ่งมีสมาธิและปัญญาหมุนไปรพร้อมๆกันแต่ถ้าเป็นรายธรรมดาท่านๆเราๆดำเนินไปโดยลำดับธรรมดาล้มลุกคุก ค, คานอย่างนี้เรื่องสมาธิเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่มากทีเดียวถ้าไม่มีสมาธิเราจะแทบจะ ปัญญาอย่างเดียวมันถลเอถลายไปเสียกลายเป็นสัญญาอารมณ์และเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวไม่ได้เรื่องอะไรพอจิตอินมตัวมีความเย็นใจมีความสบายไม่ฟุง้งเฟ้อเหื่อเหิมไม่คึกไม่ขนองกับอารมณ์ต่างๆแล้วพาทำงานโดยทางปัญญาแล้วย่อมตั้งหน้าตั้งตาทำงานและได้ผลประจักษ์ขึ้นมาโดยลำดับตนานาจนเป็นสักขีพยาน อย่งการทำงานของปัญญาแล้วเกิดความดื่มดำหมุนตัวไปโดยลำดับดำได้โดยไม่ต้องสงสัยทําเหล่านี้อยู่ที่ไหนเวลานี้ที่กาลนี้อยู่ที่หัวใจดวงลู่ลูนี่แหละโดยอายธาตุขันเป็นเครื่องประกอบทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วผู้ที่จะดีจะชั่วจริงๆแล้วคือใจธาตุขันล่านี้ไม่ได้ดีได้ชั่วอะไรแต่เป็นเครื่องอาศัยการ ถ้าจิตหมุนไปทางฝ่ายธรรมขันธ์เหล่านี้ก็เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างสมธรรมขึ้นภายในใจถ้าจิตหมุนไปทางธรรมอาการตั้งห้าคือขันธ์ตั้งห้านี้ก็เป็นเครื่องมือสำหรับธรรมไปมีเท่านั้นผู้ที่จะรับดีรับชั่วจริงๆคือใจเพงต้องอาศัยธรรมเป็นสำคัญให้ ขั้นห้ามีในทํางานในทางที่ถูกที่ดีแล้วเป็นผลที่พอพึงพอใจแก่จิตใจเองเสียดายอะไรนะโลกแันนี้ยังไม่ถิดไม่ากเคยจมมากี่พบขี่ชาติแล้วเอาพบชาตินี้เป็นหลักปัจจุบันเป็นสักขีพยานเลพบชาตินี้มันเป็นมาได้ยังไงไม่มีสาเหตุพาให้มันไปน พบชาติก่อนๆที่หนุนกันมาโดยลาดับลาดับเกิดเล่าแตาเล่าเกิดลเล่าแต่เล่ามันไม่มีเชื้อไม่มิีชิ้นเกี่ยวโยงให้าพาเป็นมามันเป็นมาได้อย่างไรเราจะมาปฏิเสธหรือมาตัดสินเอาแบบรับหูรับตาให้กิเลสมันปิดตาอย่างนั้นได้ผลได้ประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าเป็นผู้พ้นจากกิเลสเป็นผู้เหนือกิเลสเป็นผู้ฆ่ากิเลสคิดหายไปปวงโป่งไปแล้วเป็นผู้ตรัสไว้ มาตายและฝืพบนั้นพบนี้พบน้อยพบใหญ่หาความแน่นอนมาได้เพราะวิบากกรรมนี่คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่โอวาทของพระพุทธเจ้าสอนตามหลักความจรงิงนอกจากโอวาทของกิเลียมันตรอมทั้งไปเพราะเป็นค่าสืบต่อความจริงคือธรรมวิเลียมันทำกับธรรมต้องเป็นค่าสืบกันเสมอไปนั้นจะเอาของจ ร, ริง ม, มาพูดไม่มีเลยเอาของจ ร, ริง ม, มาสอนสารโลกไม่มีเลยแม้แต่นี้ จะเอาแต่ เ, เรื่องปลอมทั้งนั้นมาสอนเรายังเชื่อมันอยู่เลยแล้วยังจะเชื่ออย่างติดจมไปอีกอยู่เหลอไม่เคยไม่เห็นโทษหรือพูดทางธรรมสนังกระฉาไมไม่มีค่าอะไรบ้างเลยยิ่งไม่นำมาคิดไม่นำมาตรองและดําเนินตามที่ท่านสอนไว้นั้นท่านบอกว่าชานแล้วว่าอวิชาปฏิยาสรางค่ารานั่นเพียงเท่านี้กระเทือนไปหมดแล้วในหัวใจของสัตว์โลกทั่วไตรภพ เพราะมีอยู่กับทุกดวงบรรดาผู้ที่ยังมีกิเลสคืออวิชชาปียัญอยู่แล้วกระเทอือนหมดเว้นภารหันทรันท่านไม่มีนี่แหละพาสัตว์ทั้งหลายให้เกิดเกิดแล้วตายเล่าดีๆชั่วๆหลังนั้นเป็นนิบาต ก, กรรมที่เกิดขึ้นจากการทำดีทาชั่วสัตว์โลกทั้งหลายจริงไม่ได้เหมือนกันกำลังจัตติภัจจิตะดีดังสีนัปณีตังนะ กรรมเป็นเครื่องจำแนกแกลสัตว์ทั้งหลายให้ประนีตเลีวสามต่างกันท่านบอกว่อย่างชัดเจนไม่มีอะไรที่น่าสงสัยเลยเราอยากจะทราบเรื่องเหล่านี้เอาพิสูจนทางด้านปฏิบัติเราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าประหนึ่งมาประทับอยู่ตรงหน้าเรานี่กี่หมื่นกี่แสนกี่ร้านโปโกต่างจะลบล้างไม่ได้เลยโดยความจริงที่มีอยู่ในหัวใจของเรานี้ออกประกาศประสานกันโดยกับพระพุทธเจ้าได้ทำทั้งหลายนั้น ตลอดถึงพระสงฆ์สาวกมีกี่องค์ในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้ามีจํานวนมากเท่าไหร่จะรวมลงเป็นความจริงอันอเดียวกันหมดภาะสานกันได้อย่างประจักษ์ใจหายสงสัยกราบลาบเรียกว่าอาการิโกะให้ปฏิบัติลงตรงนี้ถ้าอยากรู้อยากเห็นเริ่มตั้งแต่ที่สอนเนี่ยสมาธิไม่มีค้นขว้าให้มีไม่มีผู้ใดจะมาค้นขว้าให้ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่ค้นขว้าแค่คนเดียว เรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องบาปเรื่องกรรมมากน้อยไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะมารับเคราะให้เราเราเป็นผู้รับเองเมื่อเป็นฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ช่วยตัวเองประพฤติปฏิบัติแก้ไขตัวเองนักก็เป็นเรื่องของเราเบาเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของผู้อื่นใดพอที่จะหวังพึ่งผู้อื่นในการแก้ที <c oughs> ด่ดีเพื่อแก้ทุกข์ทั้งหลายไปในตัวพร้อมๆกันเราต้องทําของเราเองให้เกิดที่ที่สมาธิเกิดเป็นยังไง ใจที่มีตังแต่กีเดชครองงอใจสมาธิไม่ได้ปรากฏภายในใจเลยมีหาความุกี่หลายได้นอกจากความรุ่มร้อนเป็นปืนเป็นตาอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินไ่้ น, น, อนอนนั่งนอนโดยไม่เลือกชาติชั้นมันนะ่ะฐานะใดๆทั้งนั้นเอาให้เกิดสิปัญญามีตั้งแต่ปฐมกิจและสาวกนั้นหรือท่านสอนไว้เพื่อใครเวลานี้ธรรมะต้องเรียกว่าปัญญาปัญญาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสอนไว้เพื่อโลกใครเป็นโลกก็เรานี่คนละ มีเชื่อโรคเต็มตัวอยู่ภายในจิตใจจะนํายาธรรมโอสถนี้เข้ามาแก้มาถอดมาถอนกันนาํามาใช้ด้วยปัญญาหุงต้นแกนกินได้เลยอแล้ว เ, เกิดมา ก, กี่พบกี่ชาติแล้วไม่อิจฉาละอาใจบ้างเลยวิริยตัวไม่พาให้อิจาละใจมันฝังใจเราทําตัวอิจฉาละใจก็เข้าแก้กันไปมันเห็นใช่ปัญญาได้เกิดแล้วเอาละที่นี่วางั่นเลย เป็นเกิดขึ้นโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องปพึกษาหาจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยถ้าลงปัญญาขั้นนี้จะเกิดแล้วเป็นขึ้นในตัวเองข้ากิเลสพาในจิตใจพินาคคิดหายโดยลําดับกำลัาแต่จนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลือเพราะปัญญาประเภทนี้ท่านให้ชื่อว่ามหาสติมหาปัญญาก็ไปตั้งแต่ปัรดาลมลุกคุกขามีแหละจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาได้เพราะการฝึกการอบรม อยู่โดยสม่ำเหมือนหมุนกันไปเรื่อยพิจารณาเรื่อยเป็นมีกำลังแล้วกลายเป็นอัตโนมัติขึ้นมาแล้วกิเลสตัวไหนที่นี่นี่แหละที่ว่าปัญญาเดินละที่นตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรสติปัญญาจะตามไปเพื่อฆ่ากิ เ, เลสโดยลําดับลำดับในขณะเดียวกันโดยไม่ต้องตั้ง อ, อกตั้งใจเป็นไปเองเมื่อถึงขั้นสติปัญญาเป็นไปเองแล้วอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์จะเป็นไปเองในการแก้อาการถอการถอนในเรื่องการสังสมกิเลสนี่ไม่มี มีแต่เรื่องค่าโดยลำดับตลำดาเท่านั้นจนกระทั่งที่เลืสบันลายไปหมดจากหัวใจแล้วโล่งหมดไป็นอวาากาศของกิจไม่ปรากฏเลยว่าอันใดมาเป็นค่าสุดเออหายห่หมดแนวเลยว่าที่มีค่าสุดจะไปถามใครสันติสิโก้พรพุทธเจ้าประกาศนั่นโลกดูคือจุดนี้เป็นจุดสําคัญหน้าจุดเอกซันติสิโ ก, ก้นี่แหละที่หนึงเหนือโลกหรือไม่เหนือโลกดูกับขันก็รู้ทีขันก็รู้ว่าขัน ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็รู้ว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์แต่มออือหัวใจสงสัยอะไรพระพุทธเจ้านิพานไปกี่พระองค์หายสงสัยในขณะที่อันนี้ความบริสุทธิ์ได้ปรากฏเต็มดวงขึ้นมานี้ยนี่ชั้นนดยพระพุทธเจ้าทั้งหลายชั้นนั้นสาวกทั้งหลายชั้นนั้นพอแล้วออยู่ไหนก็เหมือนกับได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยกี่ว่าผู้ใดเห็นธรรมราะนั้นเห็นเราเห็นจิต ด, ดวงที่บริสุทธิดด์ล้นล้วน สังหะถ า, าเผยเนื้อโลกเหนือสงสารอัศจรรย์ก็อัศจรรย์เหนือโลกเหนือสงสารนอกสมมติโดยประการทั้งปวงนี่แหละคือผลของการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระเจ้าไม่ขี้ไปไหนขี้ลงจุดนี้ให้หลุดพ้นแล้วนะเอาตั้งแตกัมปีกิเลสมาแบกไ่ตลอดเวลาทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนแม้แต่ประกอบความเพียรก็แบกตัแต่กัมภีกิเลสอยู่บนหัวไม่ได้รู้สึกเนื้อสึกตัวเลยศีล ส, สมาธิปัญญาบิณฑุบุดพน้นจะมาจากที่ไหนก็มีตังแต่เรื่องของกิเลสเต็มหัวใจ มันแตกต่างอะไรกับสัตว์โลกดำๆดำๆอยู่ตามภาษีภาษาเขานั่นเขาก็มีกิเลสเหมือนกันกับเราเราจะยกฐานะเราว่าสูงกว่าเขาที่ตรงไหนเมื่อกิเลสยังเต็หมหัวใจอยู่แล้วอวดอะไรกิเลสมันชอบอวดอืแต่ธรรมะไม่ชอบไม่อวดยิ่ยงถึงความพอตัวแล้วเท่านั้นแหละเองไม่ว่าจะตำหนิปีเตียนไม่ว่าจะถูกบ่มเฉยเสนอนประกันแบบเหมือนน้าตกลงบนใบบัวนั่น พิ้งตกไปพึป้งตกไปไม่ซึมซาบเป็นโดยหลักธรรมชาติจิดก็เหมือนกันเมื่ออินตัวพอตัวแล้วเสียงสรนเสริญก็ตกลงมาตกเข้ามาสัมผัสทับดับไปเสียงนินทาเข้ามาสัมผัสทับดับไปเท่านั้นเกิดดับเกิดดับเป็นอาการของสมมติทั้งหมดธรรมชาตินั้นเป็นมีหมดเข้ากันไม่ได้นะเอาให้เห็นที่นัปฏิบัติมีครูบาอาจารย์ท่านร่วมรับไปมากกว่ามากแล้วนะเรายังไม่ตื่นใจยอยู่เลย ให้จะแนะนําสั่งสอนเราต่อไปถ้าเราก็หาหลักหาเกณฑ์แก่ตัวเองไม่ได้ อ, อ, องคเปรียบด้วยตัวแเวลาเรื่องธาตุเรื่องขันเป็นของไม่แน่นอนการอยู่ด้วยกันนี่ก็เป็นของไม่น่นอนมีการทั้งย้าทันงแปลอยู่ตลอดเวลาทั้งธาตุขันทั้งการอยู่ร่วมกันเนี่อในขณะที่อยู่ก็ให้รีบเล่นขวนขวาอันใดที่ยังบกพร่องพยายามขวัขวาเจ้อย่าถือ ง, งานใดเป็นงาน สาระสาคัญยิ่งกว่างานเดินจงกรมนักสมาธิภาวนาชำนาจิตใจซึ่งมีตัวภันสําคัญสำคัญสามจมอยู่ในนั้นมันออกมาได้โดยลําดับแคนี้เห็นคุณค่าของศาสนาและเห็นคุณค่าของใจตัวเองบวชมาคุ้มค่าบวชมาไม่เสียค่าเสียทีเกิดมาไม่เสียค่าเสียทีได้เป็นเจ้าอำนาจเหนือจิตเดชก็ทีอืแงตลอดไป นี่พอพูดไปพูไปก็รู้สึกหน่อยก็อย่างนั้นเลยเอาละอย่างตัวนี้มัเล่นมันเป็นนะพอเล่นก็เริ่มเสียงต้องใช้ลมมันกระสัท่อนเข้ามาสะท้อนเข้ามาแล้วออกมาเยวก็ปรากฏขึ้นมาพูดธมาลาธรรมาก็ไม่ค่อยเป็นไรแต่แม้ก็ไม่ถึงอัดถึงทําถึงใจอย่างสิมันเน่นลงเน่นลงเพราะความสงสารนั่นแหะแล้วไอ้รู้เห็นเป็นยังไงมันต่างจากกิเลสขนาด ขนาดไหนทำหนักพิเลศเคยครองใจมานานเท่าไหร่เป็นยังไงและทำครองใจนี้เป็นยังไงอยากให้เห็นเอาเทียบวัดกันดูน้ําหนักคุณค่าของธรรมของพิเรศเป็นยังไงมันไม่มีอะไรมาเทียบมีแต่พิเลศมันเป็นเอกเป็นเอกเป็นหัวใจ หนึ่งไม่มีสองคือไม่มีคู่แข่งมันถ้ามีคู่แข่งมันนั้นมันก็บันไรมันเงินมันจะเป็นแชมเปี้ยนขนาดไหนมันก็ต้องต้องมีผู้ชนะมันจนได้แหละมันจะเคยเตี๊ยมกลมาอันตั้งกับตั้งกันก็ตามเกิดเหมือนความมืดมันจะเคยมืดมากี่กับอีกการเพราะเปิดไฟขึ้นจ้าตะนนั้นมันก็หายไปหมดเลย ไม่เอาการเอาเวลามาอ้างได้วิริยะเหมือนกันมเ ป, ปัญญาเต็มที่แล้วจ้าเป็นมัหมดเลยล่ะที่ไห น, นตาหูสัมผัสสัมพันธที่ไห น, นมันอดคิดไม่นานๆนะมันเป็นเองคิดตาถึงไหนหูถึงไหนมันคิดถึงนั่นถึงนั่นถึง ม, ม, มันเป็นเอง นอกจากไม่พูดมุ้ของมันอย่างนั้นงานนี้เวียนดองเพือเกืองมันมาคุยมาอืมน่าคุยอบชิดไม่ละเราตึงตึงดิเลยหรือออกรือออกเดก อย่างออกหน้าออกตาไม่สะทกสะท้านอะไรเลยก็ทำมันไม่มีหนึ่งหัวใจของโลกมีแต่ น, นี้เก่งเรื่องน่าด น, นันก็แสดงว่เก็งไม่เก่นเก็มเหเตุเป็งผมของมันนะถ้าเป็นรถก็ม่จะ่ทันเรื่องอย่างเดียวเหยียดเป็นโรงทังเลย เ บ, บิกน่งทมมเป็ น, บบ น, นเบกห้ามรอดไม่มีพูดแ่ากพูดไปามความจริงใจที่พี่เขาของมันก็ไม่พอใจใ น, นี่เลยทำเลยจะหาทางออกไม่ได้นะออาไปนี่นะ พ, พูดคาความจริงไม่ได้ั น, นก็เทือนพี่เลยคือท้ายก่อน ทาก็ไม่มีทางออกก็มีแต่ที่เด็ดทำมาเมื่อที่วัฒาานารรมหมดไปจากโลกหมดไปอย่างนี้เองคือโลกมีอำนาจมากมันกลายเป็นของจริงขึ้นมาทาที่เป็นของจริงไม่มีอำนาจก็ค่อยหมดไปจากหัวใจหมดไปจากหัวใจแต่ดวงดวงเรื่อยๆสุดท้ายก็หมดเมื่อที่วัฒนารรมหมดหมดจากหัวใจของจากโลกนั่นเอง อันนี้ก็ผลนองศาสนาหมดก็หาความสุขไม่มีพน้นองจดตเรืองอำนาจก็เป็นเปลงไฟไปหมกทั่วดินแดนไม่ได้ว่าชาตนั้นวันน้ น, นี้มันว่าคนโมกคนกระดามันเป็นเปลวไฟต่างกัหมดโเยสอคนนั้นดีคนนี้ดีคนนั้นมีสีปัญญาเะลลักขนาดนั้ น, นเศษเป็นแบของจิงเพาให้เศษ ไม่ใช่ความจริงคือทําพลาเสร็จอวิเลพาให้ดูกันมันก็ดูพ้นถืนนั้นนั่นดูนั่นมันถึงจะตื่นกันโลกถ้าทําดูไม่ดูเถืนดูความจริงความจริงเลยมันทั้งหมดความพุกข์สดข้วความเพียความโกรการรื้อการไถ่ก า, ารทําลายการเหยี่อเยือนกันี้ไม่ออกเพราะความเห็นแก่หน้าเพราะความเห็นแก่ตัวอันเป็นเรื่องของดุดมรุนแรงนี่จะออกจากไหนนั่น นี่จะวรวมรงใหญ่ของมันที่จะแทนกิ่งก้านแขนงออกไปให้มันล่อจอยู่กินไปต่างกันผู้มีลูกอุอ้หนูวิ่อะไรก็ต้องถูกบีบถูกบังคับแหลกเลี้ยวต่างกันในว ง, งนนการสนามกราเป็นไปมากกมากแล้ววลานี้แดงดิถิถึงครับบางโิกฤิสดา ให้เหนือโรคเขไปซ้ำไปแทงโรคเข้าไปโดยไม่รู้ว่าอันนี้คือโรคเลยโรคคือกิเลสเลยไม่รู้อะไรก็แข่งกันเรื่องขกิเลสมันก็แข่งกันเรื่องของทำไม่แข่งใครอยู่คนเดียวหมุนติ้วติ้วในป่าในเขาวัดกันไม่มีเวลาลงเวที ที่เกิดมว้วนเฟือ่องบงคอนคืจะคิดนี้หายากนะกพูดก็ยาการคิดก็้ากมันจะถูกน้ำที่เพิดวัดเรามั น, น จ, นนจนนึ้นจัินจัหนะอของอะไรของจานผมจะตายไหมอก็แตกไห อาจารย์พูดคุณเนี่ยทุกมุมผมต้องตายจริงๆนอกจากเฉยเหมือนมาปลหหำน่ไปจะบ้างอะไรบ้างอันนั้ม่หลายใจมองว่าทับมันเห็นแล้วเนี่ยั้นคุณนั้นไม่รู้เรื่องเลยคืว่าอะไรไม่ใช่อวนนะคุณอาจารย์สอนอุันก็คพะเห็นนี่ มันเรียกันไหนหนะเนมันคล้อมหงอกแต่คนคล้อยาอาการของคนไม่รู้เลยมันแสดงมาไม่รู้เรื่ของเรื่องมันเครื่อหลับตากับมันด้วยดูหัวใจนี่ที่เลืออยู่ที่หัวใจมันจะแสดงท่าไหนออกกระตังกายเวาจามันไม่ออกทางนี้มันออกทางไหนมันต้องออกทางนี้ก่อนอื่ ดูนะข้อวัดปฏิบัติอยู่แล้วกันมากๆมาเร็้ยวไหเห็นนะไหลเห็นแก่ตัวนะเอานัดเอาเปือกหมู่เพื่อนนี่คือเรื่องของจิเดชชัดๆนะอย่าให้เห็นย้า้ขวางฐานนะอันนี้เป็นเรื่องหยาบๆอย่าให้เห็นอยามาถือเนื้อถือตัวจะมาแบกจิตเดชขวางทําให้เห็นนะถือเหตุถือผลถืออัตถือธรรมใครพูดถูก ต, ต้องตรงไหนยึดเอานี่คือธรรมจะมาเยาะยิงจองหอง คลองตัวด้วยอํานาจของกิเลสขวางธรรมในวัดนะนี่จะมามีสอนสอนเพื่อแก้กิเลสเพื่อชำระกิเลสเพื่อสังหารกิเลสต่างั้งๆไม่ได้สอนเพื่อมาส่งเสริมกิเลสเรื่องของลิขิตมานะฐานะมีจนความรูปความฉลาดแบบโลกๆจะเอามาใช้เวลานี้จะเราจะเอาแบบธรรมมาใช้ย้ายสิ่ ง, งนี้มาเหยียบย่ำทำลายทั้งตนและผู้อื่นให้เสียหายไปด้วย ทำตัวไม่เหมือนผ้าปิริลอลทองสแต่ทำตัวเหมือนพ้าเขาเรียกพก้าดอกคำห่อขี้นะ่ะดูไม่ได้นะนึงน่งวันหนึง่งถ้าพูดถึงเรื่องธานุเรืขันผมมันพอตัวอยู่นะว่านอยู่คนเดียวสบายสบา ย, บายพอส่งไปไม่เช่นั้นบางวันก็ยังทำเริ่องนะถ้าอากาศร้อนๆอยู่คนเดียวก็เป็นอย่าว่าแต่เกี่ยวข้องเขาแ ข, า ข, าขกขอบคุณเทศนาว่าการเลย อยู่คนเดียวบางทีมันก็เป็นขึ้นมายุ่งยากขึ้นมาโรควันนี้ต้ามัป็นแบบทั่วไปแล้วอันนี้คง่คุยนะพูดตามความที่รู้สึกปฏิบัติต่อกันมาโดยลำดับดาวมันตายนานแล้วนะโรกที่ผมเป็นอย่างนี้นะ น, นี่ก็จะอาศัยอาจจะทําช่วยพยุงกันไปวันหนึ่งวันหนึง่งบางทีมันก็เป็นมาก พอจะมาชั้นยังหานยังไม่ชันยัหานมันเป็นที่ตรงนี้ก็เห็นเถ้าเป็นตอนเช้านี่มันแรงนะเพราะตอนนี้ตอนท่าละเอียดมันกระเทือนได้ง่ายเดินมีจฉาบทไปบางทีมจะเป็นมันก็เป็นแต่เรามันได้วิสุทธิวิจาร์กลัวเป็นกลัวตายซึ่งเป็นเครื่องส่งเสริมมันนั้นมีกําลังมากขึ้นตอนนั้นเมีแต่ความจริงต่นนั้นมันเป็นเมียก็ดูความจริงของมันอยู่ มันนัม่ไดมีกศวิจการมากลเป็นกลัวตายอะไรเลยรู้แต่ความจริงเทนั้นความจริงต้องเป็นความจริงออกหน้าออกตาของถึง่ันนี้อยู่เสมอเป็นหลักธรรมชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นความเป็นกลเป็นกลัวตายอันเป็นเรื่องหลอกหลอนล้อนจึงไม่เข้ามาเกี่ยวข้องความจริงนี้ได้ความจริงนี้มันเก๋ดันอยู่ในนั้นเลยแสดงขึ้นมามากน้อยก็รู้ตามความจริงมันอยู่มากน้อยนไม่มีโศกิจารไม่หวั่นไม่ไหวมันก็ ทรงตัวมันไปได้นอกจากนั้นก็ยังมีอะไรที่พู ด, ด ย, ยาวๆเปเครื่องพยุงกันอยู่ภายในใน้นมันพอทรงตัวมาได้นะถ้าจะปล่อยมันตามเรื่องนั้นมันควบคุมไปมานแล้เ น, นี่ยนกเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนนะ่ะจะเป็นห่วงชีวิตผมไม่ได้ห่วงมันเลยห่วงมันอะไรก็ดินห่วงปะหาอะไรเห็นดูรู้อยู่นี่ดินน้ำลมไฟกเกมอะที่ทุนที่โคลนมันผสมกันอย่างนี้เทนั้นเองออ ส่วนชุ่มๆเปียกๆนะอยู่ในร่างกายนี้เสียส่วนมันแข็งก็อยู่ในร่างกายนี้เสียส่วนมันแห้งไปอยู่ในร่างกายนี้เสียส่วนปฏิกูลโสโครกมันก็อยู่ในร่างกายนี้เสียจึงมาผสมกันเหมือนกับที่ถงที่โคนอยู่ภายในนี้ยังอาศัยกันไปโดยความรู้อันนี้แหละมันประสานเอาไว้เป็นความรับผิดชอบโดยสันญาธิยานของจิตตรงนี้ พ อ, อนี่ปล่อยเท่นั้นมันก็เป๊ะไปเลยว่า ง, งจะผิดอะไรกับดินกับน้ำกับลมกับไฟเพราะมันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอยู่แล้วเอาจะคว อ, อนิสยัยขวอจะมันจะเลอะละ<ม>เหนื่อย